พระบัญญัต14ิ14พิสูจต้องอบัติปาจิตตีเพราะกล่าวเสียจสีเรื่องพระชภคีจบ